บทที่หความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทิฟเราเดินทอดน่องไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้ออกจากบ้านของเรเดียนทรีวิงมาแล้วรู้สึกว่าในตอนหลังนี้โรเยอร์ดูขรึมไปคงจะกำลังครุ่นคิดถึงสิ่งที่ได้เห็นมาเมื่อครู่นี้นั่นเองในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นว่าผมรู้สึกประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งท่านครับคือเหตุใด จึงไม่มีผู้ใดในโลกมนุษย์รู้เรื่องต่างๆของโลกทิพนี้บ้างเลยอันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เสียเลยดอกโรเยอร์เข้าไปเจ้าตอบเป็นแต่ว่ามีผู้ที่รู้น้อยหรือเกินเท่านั้นเมื่อเทียบจำนวนกับผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขารู้ได้อย่างไรครับเขาก็รู้โดยมีผู้บอกเล่าให้ฟังนะสิโรเยอร์ พวกเรานี่แหละเป็นผู้บอกให้เขารู้คําว่าพวกเราในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะฉันกับรูดเท่านั้นดอกนะเพราะเหตุว่าอันที่จริงก็ยังมีชาวโลกทิพย์อีกมากที่ได้พยายามทํากันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเธอจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งโลกมนุษย์เลยยิ่งโดยเฉพาะในระยะหลังๆนี้ เรายิ่งเพิ่มความพยายามในด้านนี้มากขึ้นกว่าเดิมแต่เธอคงจะพอจำได้ว่าศาสนาคริสต์นิกายใหญ่ที่สุดนิกายหนึ่งในโลกมนุษย์ได้มีความเห็นว่าความรู้เรื่องนรกสวรรค์ได้สิ้นสุดลงเมื่อพระสาวกองสุดท้ายที่เกิดในสมัยพระเยซูดับขันไปจากโลกนี้ต่อจากนี้ก็เป็นอ่านไม่มีอะไรอีกนอกจากการเยียบส ง, งัดอย่างเดียวเท่านั้น และเดี๋ยวนี้เป็นไงโรเยอร์ er. เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ในขณะนี้ตรงกับความเชื่อถือของชาวโลกมนุษย์บ้างหรือเปล่าโอเปล่าเลยครับท่านถูกของเธอแต่แม้กระนั้นเดี๋ยวนี้ชาวโลกมนุษย์ก็ยังถือกันว่าไม่ควรพยายามที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกทิพย์เลยชีวิตภายหลังมรณกรรมนาน เป็นสิ่งที่ฝืนคำสั่งที่ระบุไว้ในคำพีอันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเมื่อเป็นดังนี้ประตูแห่งความรอบรู้จึงถูกปิดตายอยู่เพียงนั้นและชาวโลกมนุษย์ก็ปลอบใจตนเองให้คิดว่าเขาไม่ควรที่จะค้นหาความรู้ในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะว่าเขาทึกทักเอาเองว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรรู้จริงๆป่านนี้เขาคงจะได้รู้เองไปเสียนานแล้ว เขาไม่ได้เฉลียวใจดอกว่าอันที่จริงเรื่องสวรรค์นรกและโลกหน้าเรื่องนี้ก็มีกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในพระคัำพีที่เขาอ่านกันอยู่ทุกวันนั่นเองยังมีอีกบางคนคิดว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นจริงได้ในสมัยโน้นแต่พอมาถึงสมัยนี้แล้วเขาก็ถือเสว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องด้วยอีกต่อไปนี่แหละชาวโลกมนุษย์ส่วนมาก ตั้งสมมติกันขึ้นมาเองอย่างง่ายง่ายเช่นนี้ผลก็คือในทางการศาสนามีแต่ความเงียบไม่มีการสอบสวนคนว้นคว้าหรือถแถลงความจริงอย่างใดเลยท่านคิดว่าศาสนาต่างๆควรจะรู้หรือพยายามหาทางให้รู้เรื่องนี้ได้ไหมครับโรเยอร์ถามขึ้นเธอถามสิ่งที่น่าถามอยู่เหมือนกันโรเยอร์ แต่สถานการณ์ของโลกมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอยู่อย่างนี้คือในบรรดา น, นิกายใหญ่ๆทั้งสองนั้นนิกายหนึ่งกล่าวอย่างหนักแน่นอย่างวางอำนาจเต็มที่ว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธปรากฏการณ์ทางจิตทุกประการชื่อว่าเป็นคนงมงายแต่ในขณะเดียวกันก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเหมือนกันว่า ปรากฏการ์เหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากพวกมารร้ายหรือไม่ก็พวกผีปีศาจ ร, ร้ายทั้งสิน้นนี่แหละคือที่ท่านโอมมาได้เคยกล่าวไว้ว่าพวกเรามักถูกชาวโลกมนุษย์เรียกว่าเป็นผีปีศาจอยู่ บ, บ่อยๆดูเอาเถอะโรเยอร์ชาวโลกมนุษย์เขาเรียกเราได้ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่าแย่หน่อยครับ แล้วเราจะไม่มีทางแก้ไขในเรื่องนี้บ้างเลยทีเดียวหรือครับรูดและข้าพเจ้ายิ้มไม่เห็นท่าทางกระตือรือร้นของโรเยอร์โรเยอร์รูดกล่าวขึ้นเราเห็นใจในความรู้สึกของเธอท่านมองซินเยอร์และฉันก็มีความเห็นและความรู้สึกเหมือนเธอเช่นกันอันที่จริงถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะจับตัวพวกชาวโลกมนุษย์ที่มีความคิดวิถฐานเหล่านั้น มาฟาดก้นสั่งสอนเสียคนละผัวสองผัวเพื่อให้รู้สนึกตัวซะบ้างแต่ท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปได้เคยบอกแกเราว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะกลับใจพวกดันทุรังเหล่านั้นได้ทีนี้นะโรเยอร์เข้าไปเจ้ากล่าวต่อไปฉันจะเล่าให้เธอฟังต่อไปถึงนิกายใหญ่อีกนิกายหนึ่งนิกายนี้ได้มีการค้นคว้ากันอย่างขนานใหญ่ ถึงเรื่องการติดต่อระหว่างมนุษย์กับโลกทิพย์ผู้เป็นต้นคิดดำเนินการนี้ก็มียศเป็นถึงขั้นอาสบิชอปซึ่งอาจเท่ากับสมเด็จราชาคณะทีเดียวท่านเหล่านี้พยายามศึกษาวิจัยกันอย่างระมัดระวังมีการทำรายงานประกอบการค้นคว้าด้วยในที่สุดส่วนมากก็ลงความเห็นว่า การติดต่อทางวิญญาณ น, นี้มีได้เป็นได้จริงคือไม่ใช่เป็นของหลอกลวงเสมอไปเป็นไงฉันเล่ามาถึงเพียงนี้แล้วเธอฟังดูรู้สึกชื่นใจดีไหมเอาละทีนี้เธอเตรียมหัวเราะได้แล้วหัวเราะให้เต็มที่ทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคือเพราะว่าเมื่อปรากฏความจริงในการค้นคว้าเช่นนั้นแล้วผลงานดังกล่าวก็ถูกเก็บเงียบ เรียกว่าปิดตายไม่ยอมให้ผู้อื่นรู้เลยทีเดียวแปลกประหลาดเห็นไหมทำไปทำมาก็ดูคล้ายๆกับว่าเขามีความปรารถนาที่จะไม่ต้องการรู้เรื่องเช่นนี้ใช่มากกว่าเคยมีพวกที่ขนองปากบางคนกล่าวว่าถ้าผลของการค้นคว้าเป็นไปในทางให้ร้ายแก่พวกเราคือถ้าหากเขาสามารถปลักปลอมพวกเราว่าเป็นผีปีศาจได้สําเร็จแล้วก็ ป่านนี้คงได้ประกาศผลและพิมพ์เผยแพร่และฉลองกันอย่างเอกเกรรกเมโหราณไปทั่วเมืองหรือทั่วโลกแล้วนี่เพราะปลักปรัาหรือให้ร้ายไม่สำเร็จนั่นเองเลยปิดข่าวเงียบอ้อแต่นี่นะโรเยอร์เรื่องนี้ยังมีตอนตลกตอนที่สอนอีกคืออะไรรู้ไหมคือว่าท่านอาสบิชอปหรือพระเถระผู้ใหญ่องค์ที่ดาเนินการสอบสวนค้นคว้า และสั่งปิดข่าวเงียบองค์นั้นน่ะเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่นี่กับพวกเราแล้วนี่แหละโรเยอร์ er, บ่อยครั้งทีเดียวคนเราทำอะไรลงไปแล้วก็มานั่งเสียใจในภายหลังว่าตนไม่ควรทำลงไปเลยและโดยเฉพาะการแก้ไขสิ่งที่ทำผิดไปแล้วนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายนักฉ่นเองก็เห็นใจท่านพระเถระองนั้นอยู่ เพราะฉันเองก็เคยทำห้าแต้มไว้ข้างหลังเหมือนกันเป็นแต่ว่าฉันออกจะคลอดดีหน่อยที่ได้มีโอกาสกลับไปแก้ตัวได้บ้างมันก็ไม่ถึงกับลบหายไปได้ทีเดียวดอกแต่เ็าเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาไปได้บ้างตามสมควรเมื่อตอนเป็นมนุษย์ฉันเคยพูดจาฉะฉานอย่างแข็งขันยืนยันทฤษฎีของตนเองอย่างมั่นคง เดี๋ยวนี้ฉันมาอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็กําลังพูดจาอย่างฉาดฉานยิ่งกว่านั้นอีกสองเท่าแต่เพื่อคัดค้านมาติความเห็นเดิมของตนเองบัดนี้ฉันรู้สึกว่าพอจะมีความสงบใจได้บ้างไม่ต้องนั่งเดือดร้อนใจในความงมงายแต่หนหลังของตนเองเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนเธอกลับไปบ้านฉันจะให้เธอดูหนังสือที่ฉันแต่งไว้ตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ ไม่ไหวเลยมันเป็นหนังสือสวะแท้ๆทีเดียวถึงตอนนี้รูทโฮล็อขัดคอเข้าพเจ้าทันทียังหอกข้าท่านในโลกมนุษย์ยังมีสิ่งที่เป็นสวะยิ่งกว่านั้นอีกมากนี่กายทั้งสองที่กล่าว น, นั้นมีความสนใจในเรื่องโลกทิพย์ใ น, นทัศนะที่แปลกประหลาดอยู่เหมือนกันต่างก็รู้ดีว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ต้องมีโลกหน้าจนได้ แต่แล้วไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็แยกความคิดดังกล่าวออกจากศาสนาไม่ได้จนแล้วจนรอดน่าจะเป็นความจริงเรื่องนี้เป็นธรรมดาของชีวิตจะต้องเป็นไปเช่นนั้นโดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทางศาสนาเลยคือจะมีศาสนาหรือไม่มีเรื่องการไปสู่โลกทิพย์ก็เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่นั่นเองท่านนักการศาสนาเหล่านั้น ต่างนึกฝันเอาว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตในโลกมนุษย์แล้วจะต้องเป็นเรื่องของวัตถุอย่างแท้จริงทีเดียวและชีวิตหลังมรณะกรรมก็ต้องเป็นชีวิตที่จะเหมือนกับในโลกมนุษย์ไม่ได้เลยเป็นอันขาดคือว่าจะต้องมีแต่บรรยากาศที่เต็มไปได้วยความศักดิ์สิทธิ์มีแต่การสวดมนต์ภาวนากันตลอดกาลทีเดียวอันที่จริง ชาวโลกมนุษย์ก็คิดอยู่บ้างเหมือนกันในข้อที่ว่าโลกทิพย์มีอะไรไม่เหมือนโลกมนุษย์อยู่หลายอย่างแต่ข้อเสียก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจอยู่เลยเท่านั้นแล้วเรื่องนี้จะไปลงเอยกันแบบไหนแน่ในที่สุดศาสนาในโลกมนุษย์จะสามารถเห็นความจริงดังกล่าวนี้ได้บ้างหรือเปล่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากเหลือเกินในระยะต่อไป แต่เท่าที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้ก็พอจะมองเห็นได้ว่าแย่เต็มทีโดยส่วนใหญ่แล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะเขาพอใจที่จะเป็นอยู่ในสภาพเช่นนั้นเสียแล้วนิกายแรกที่ฉันกล่าวถึงเมื่อกี้นี้อ้างว่าเป็นนิกายที่แท้จริงนิกายเดียวและเป็นนิกายที่ถือว่าตนเองทําอะไรไม่ผิดเลยดังนั้น ก็เป็นอันว่าในนิกายนี้ดูเหมือนจะไม่มีความหวังเหลืออยู่เลยส่วนนิกายที่สองนั้นไม่มีอำนาจเด็ดขาดเช่นนั้นสมาชิกของนิกายนี้จึงมีอิสระที่จะคิดและเชื่อได้ตามที่ตนปรารถนาความเชื่อและการปฏิบัติของสมาชิกในนิกายนี้จึงมีขอบเขตกว้างขวางมากในเรื่องความเชื่อแล้วต้องอยู่ในนิกายนี้ เกือบจะไม่มีอำนาจควบคุมอย่างใดเลยดังนั้นจึงมีนักบวชบางคนในนิกายนี้กล่าวสนับสนุนเราอยู่เป็นทางการเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเหล่านี้ได้รับความรู้ไปจากเราโดยตรงแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งนักบวชและคารวาสในนิกายนี้จะมีความประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันเสมอไป เพราะว่ายังมีอีกไม่น้อยที่เข้าตำรารักพี่เสียน้องคือเชื่ออย่างใหม่ก็เชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเสียดายไม่อยากทิ้งความเชื่อและการปฏิบัติที่เคยทำกันมาแต่ดั้งเดิมนี่แหละโรเยอร์เห็นไหมว่าเป็นการยากเพียงใดที่ศาสนาในโลกมนุษย์จะยินยอมรับรองเรื่องของเราเป็นทางการและเมื่อเป็นเช่นนั้น ความจริงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องศึกษาหาได้จากบุคคลหรือแหล่งที่ไม่ได้เป็นทางการนั่นเองเป็นไงโรเยอร์เธอถามฉันมาเพียงประโยคเดียวแต่ก็ทำให้ฉันต้องตอบอธิบายกันส ย, ยืดยาวโรเยอร์ให้ความเห็นว่าเราควรจะนั่งพักกันสักครู่หนึ่งเราทั้งสามคนจึงเลือกนั่งลงภายใต้ต้นไม้บนเดินดินแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถมองเห็นสระน้ำแห่งหนึ่งเป็นประกายระยิบระยับอยู่ในระยะไกลออกไปดูดูไปก็น่าสงสารจริงนะโรเยอร์รูดเอ่ยขึ้นที่ชาวโลกมนุษย์เป็นจนวนมากมายไม่มีผู้ใดรู้เรื่องราวของโลกที่น่าอยู่ของเรานี้เลยและน่าสงสารยิ่งขึ้นก็คือเขากลับได้รับคำตักเตือนจากทางการ ไม่ให้เกี่ยวข้องหรือพยายามรู้เรื่องอะไรอะไรเลย อ, อีกด้วยตามเหตุผลที่แสนจะงมงายของเขาที่คิดตั้งขึ้นมาเ อ, าเองคิดดูเถอะการที่มนุษย์จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเราและดินแดนของเรานั้นมันเป็นการเสียหายอย่างไรหรือเป็นการทำอันตรายใครที่ไหนกันตามทัศนาของชาวโลกมนุษย์ดังกล่าวนี้ดูดูไป พวกเรานี้ก็คล้ายกับคนจันทรานหรือคนผิดธรรมชาติวิถีฐานต่างๆซึ่งเขาจะคบหาสมาคมด้วยไม่ได้คิดดูแล้วมันน่าเจ็บใจเหมือนกันอย่าไปคิดเจ็บใจให้เสียเวลาเลยเธอข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเรื่องความงมงายแบบนี้มันไม่ใช่ของใหม่เลยมันมีมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วจนกระทั่งคนทั่วไปเกิดความเคยชิน และก็ไม่รู้ว่าตนเองมีความคิดงมงายเพียงใดดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยโรเยอร์ที่มีบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อได้มาสู่โลกนี้เข้าจริงๆและได้เห็นแจ้งในความจริงด้วยตนเองและก็เกิดความเสียใจและความระวงกระวายอย่างขนาดใหญ่เรียกว่าแทบจะนั่งนอนไม่ติดทีเดียวพวกนี้คิดอยู่แต่ว่า ตนเองได้หลงพกความเจ็บใจเข้าไว้อย่างน่าเสียใจและก็เกิดอยากจะกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อไปตะโกนกรอกหูพวกญาติมิตรข้างหลังให้หายหลงงมงายอย่างที่ตนเองได้เคยเป็นมาแล้วในจํานวนนี้บางคนเสียอกเสียใจเอามากๆถึงกับสะกดใจไว้ไม่อยู่พยายามกลับไปตะโกนกรอกหูของญาติมิตรที่กําลังหลงผิดจริงๆเหมือนกัน แต่ผลก็คือไม่มีผลดีอย่างใดเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะได้ยินเสียงของเขาได้แม้ว่าเขาจะตะโกนให้ดังสักเพียงใดก็ตามอย่างเรื่องของเธอนี่แหละโรเยอร์รูธและฉันจะพาเธอกลับไปยังโลกมนุษย์ก็ได้โดยเราจะไปยังที่ที่เราสามารถจะติดต่อกันได้กับเพื่อนของเราเองเราจะแนะนำให้เธอรู้จักกับเขา และก็ขอให้เขาช่วยส่งข่าวของเธอไปให้ญาติมิตรทางบ้านของเธอทราบว่าบัดนี้เธออยู่ที่นี่เป็นสุขสบายดีแล้วอย่าลืมนะว่าเพื่อนของเรากลุ่มนี้ไม่เคยรู้จักกับญาติมิตรของเธอมาก่อนเลยและญาติมิตรของเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องการติดต่อทางจิตกับโลกทิพมาก่อนด้วยหรือว่าแม้เขาจะรู้เขาคงจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ทีนี้เธอลองคิดดูทีหรือว่าญาติพี่น้องของเธอจะรู้สึกอย่างไรในเมื่อเพื่อนของเราไปหาเขาที่บ้านและบอกว่ามีข่าวคราวจากโรเยอร์ซึ่งเป็นบุตรหลานของเขามาถึงเขาฉันว่าเธอคงจะต้องรู้ดีเพราะว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นญาติพี่น้องของเธอเองเด็กหนุม่มนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าญาติพี่น้องของผมเป็นคนสุภาพครับ เขาคงไม่พูดว่าเราออกมาดังๆดอกแต่เขาคงจะคิดในใจว่าท่านเหล่านั้นน่ากลัวจะเป็นพวกหลอกลวงหากินหรือไม่กสติไม่ค่อยจะดีไปเสียแล้วบุคคลพวกนี้คงไม่มีลักษณะท่าทางว่าจะเป็นพวกมิฉาชีพดอกโรยร์แต่เรื่องการที่จะถูกเหมาเอาว่าเสียสตินี้อาจจะเป็นไปได้มากทีเดียว ทั้งๆ ท, ที่แม้ว่าเขาก็ไม่มีลักษณะท่าทางของคนบ้าเลยก็ตามเอาละแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกพวกญาติของผมก็คงจะคิดอีกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่สมควรที่คนมีความคิดจะเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่แหละโรเยอร์ er, ความรู้สึกเช่นนี้แก้ไขได้ยากมากทีเดียวเขาคงคิดไปได้วยตำหงที่ว่า เราไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องความสูญเสียหรือความเศร้าโศกอันเป็นเรื่องภายในของพวกเขาโดยเฉพาะแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกน่ากลัวพวกญาติญาติของผมเขาคงจะเชิญให้กลับออกไปจากบ้านเสียมากกว่าต่อจากนั้นเขาคงจะปรึกษากันว่าถ้าทางจะไม่ค่อยดีแล้วก็คงจะไปหาท่านสมภารที่วัดข้างบ้านท่านสมภารก็คงจะรับฟังอย่างสงบ เสร็จแล้วก็คงจะบอกว่าเรื่องเช่นนี้ท่านก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่อย่าไปเอาใจใส่หรือเกี่ยวข้องด้วยซะเลยจะดีกว่านี่แหละโรเยอร์เรื่องก็คงไปลงเอ่ยทำนองเดียวกันนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและเรื่องแบบนี้เราก็ต้องเล่ากันครั้งแล้วครั้งเล่านับเป็นจนวนสิบหรือร้อยหรือพันครั้งเล่าให้ใครฟังนะ่หรือ ก็คือเล่าให้ผู้ที่มาถึงที่นี่แล้วได้รู้ถึงความงมงายแต่หัวหลังของตนฝังนั่นเองพระบุคคลประเภทนี้นับจํานวนพันพันต่างก็กระตือรือร้อนอยากจะกลับไปเล่าให้ญาติมิตรในโลกมนุษย์ถึงความจริงที่ตนได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าให้ได้เราจึงต้องเล่าเรื่องเช่นนี้นับจํานวน พ, นพันพันครั้งก็เพราะเหตุนี้เองและก็ไม่ทราบว่า เมื่อใดจึงจะหยุดเล่าได้สักทีเรื่องดังกล่าวนี้มีปมที่แก้ไม่ตกอยู่ข้อหนึ่งก็คือท่านผู้มีเกียรติในทางการของโลกมนุษย์พยายามหาทางให้ความจริงหรือสัจธรรมเหล่านี้ลงรอยกันได้กับลัทธิความเชื่อที่ตนยึดมั่นอยู่ซึ่งแบบนี้เป็นการผิดยังกลับหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียววิธีที่ควรจะทำก็คือ ท่านเหล่านั้นจะต้องทำในทางที่ตรงกันข้ามคือต้องหาทางปรับลัดที่ความเชื่อของตนให้เข้ากับสัจธรรมจึงจะถูกต้องตามแบบนี้ก็คือสิ่งใดที่เชื่อถือและปฏิบัติกันอยู่ถ้าขาดต่อหลักแห่งความจริงหรือสัจธรรมก็ต้องเลิกล้มหรือเปลี่ยนแปลงเสียให้หมดแต่เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้พวกเข้าพอใจที่จะจับเงามากกว่าจับตัวจริง เขายึดติดอยู่กับพิธีกรรมลัทธิต่างๆแทนที่จะคิดถึงสัจธรรมที่แท้จริงนี่แหละเมื่อเขาไม่ได้แสวงหาสัจธรรมแล้วเขาจะพบสัจธรรมได้อย่างไรพูดกันอย่างง่ายๆถึงแม้ว่ามันอาจจะตรงเกินไปสักหน่อยก็ตามขณะนี้เราสามคนกําลังนั่งสนทนากันอยู่ที่นี่ เราทุกคนล้วนแต่เคยเป็นชาวโลกมนุษย์มาครั้งหนึ่งแล้วและต่างก็ได้ผ่านความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่สมมติเรียกกันว่าความตายมาแล้วเช่นเดียวกันแต่แม้เราจะถูกสมมติเรียกว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วก็ตามเราก็ยังกำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้า อ, อ่อนนุ่มและเขียวขจีอย่างสบายอารมณ์เบื้องหน้าเราเป็นภูมิประเทศอันสวยสดงดงาม ยาวเหยียดออกไปในระยะไกลจนสุดสายตาซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็ดีร่างกายของเราทั้งสามก็ดีล้วนแต่เป็นของจริงจับได้ถูกต้องได้เป็นวัตถุแข็งจริงๆเหมือนกับวัตถุและร่างกายในโลกมนุษย์ทุกประการไม่ใช่เป็นแต่เพียงเงาๆเหมือนภาพในฝันอย่างใดอย่างหนึ่งเลยทุกๆอย่างเป็นของจริงจริงซึ่งมีอยู่ตลอดการ ไม่ใช่มีขึ้นชั่วขณะหรือแว บ, บเดียวและการที่เราได้มาอยู่ณสถานที่เช่นนี้ก็พระผลแห่งความดีของเราเองเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ผลกรรมน้นทำให้เรามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมาอยู่หน้าที่นี้ได้โดยไม่มีผู้ใดจะทำให้เป็นอย่างอื่นไปได้การที่เรามาอยู่ที่นี้ได้ก็ไม่ใช่เพราะเราขึ้นสังกัดถือาศาสนานิกายหนึ่งนิกายใดเลย รูทจะบอกความจริงได้ประการหนึ่งว่าเธอไม่เคยไปวัดนานมาแล้วแต่แม้อย่างนั้นเธอก็มาอยู่ร่วมกับเราที่นี่ได้รูทนี่แหละจะสามารถบอกให้เราฟังได้ว่าพวกพระในโลกมนุษย์เห็นเธอเป็นพวกเดรัจฉีนอกาศาสนาที่ร้ายกาจมากทีเดียวพวกพระจะประนามว่าคนอย่างรูทนี่แหละ เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความแตกร้าวขึ้นในวงการศาสนาและจะต้องมีโทษตรงนรกหมกไหมชนิดที่ไม่ต้องได้ผุดได้เกิดกันทีเดียวแหละสำหรับฉันเองทั้งที่เป็นพระอยู่เองซึ่งน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าผู้อื่นแต่ก็เปล่าสำหรับเธอนี้โรเยอร์ยังเป็นหนุ่มยังไม่มีตำแหน่งใหญ่โตในทางศาสนาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น ถ้ากล่าวตามหลักศาสนาแล้วทั้งเธอและรูทก็ไม่น่าจะมาอยู่ที่นี้ได้เลยถ้าสมมติว่าคนเราจะไปสวรรค์ดได้เพราะการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแล้วรูทและเธอจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมีทางคิดกันเล่นๆได้นนสองทางคือทั้งเธอและรูทไม่สมควรที่จะอยู่กับฉันในที่นี้เลยหรือไม่ก็ฉันเอง ไม่สมควรจะอยู่กับเธอทั้งสองที่นี่เลยแต่แล้วก็ปรากฏว่าเราทั้งสามได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่จนได้เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้เราสรุปได้ความจริงอย่างใดบ้างไหมฉันอยากจะกล่าวว่าหลักการทางศาสนาของเราน่าจะมีผิดพลาดเสียแล้วมิฉะนั้นคงจะไม่คานกันกันกบข้อเท็จจริงถึงเพียงนี้ขอถามอีกหน่อยเถอะโรเยอร์ เมื่อเธอเป็นมนุษย์อยู่นั้นเธอรู้สึกว่ามีศรัทธานในทางศาสนาอยู่ทุกขณะจิตทีเดียวหรือเปล่าแน่ทีเดียวครับจริงอย่างนั้นไม่มีคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปจะสามารถมีจิตใจเช่นนั้นตลอดวันและคืนเลยบางครั้งเราก็คิดอะไรเล่นๆสนุกสนานกันบ้างบางครั้งเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปบ้างเท่าที่จะทาได้ ในเรื่องเช่นนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางศาสนาเลยทีนี้ลองคิดถึงสภาพปัจจุบันดูทีหรือเธอเห็นว่าบรรยากาศของโลกทิพนี้เต็มไปด้วยเรื่องศาสนาตลอดเวลาหรือก็ไม่เห็นเป็นเช่นนั้นนี่ครับแล้วเธอรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตในโลกนี้กับชีวิตในโลกมนุษหรือไม่โอไม่ละครับไม่เอาเด็ดขาดเลยครับ ระวังคําพูดของเธอหน่อยโรเยอร์ er. เธอเป็นชาวโลกทิพย์ถึงขนาดนี้แล้วนะพูดอะไรอะไรต้องให้สูภาพหน่อยสิต้องพยายามใช้ศัพท์สูงสูงให้มากที่สุดต้องให้มีเนื้อความลึกลึกฟังเข้าใจยากที่สุดก็ยิ่งดีเธอไม่รู้ดอกหรือว่าชาวโลกมนุษย์เขาก า, กาเกณฑ์ให้พวกเราเป็นเช่นนั้นกันมานานแล้ว เขาต้องการให้เราอ่านพระคำพีสวดมนต์พึมพำและพูดภาษานักบวชกันทั้งคืนทั้งวันเลยรู้ไหมจริงอยู่ฉันไม่ได้หมายความว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่ไม่สนุกเลยความจริงก็คือเราอยู่ในโลกที่มีเหตุผลเราทำงานเราเล่นเราสนุกสาราญและหัวเราะกันได้อย่างเต็มที่และข้อสำคัญที่สุดก็คือ เราเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอยู่ในกฎหรืออา น, นัตของศาสนานิกายหนึ่งนิกายใดเลยเรามีความเป็นอยู่อิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับการพอใจของโลกมนุษย์หรือใครๆเลยจำไว้โรเยอร์คิดๆ ด, ดูก็เป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งโรเยอร์เมื่อตอนที่ฉันเป็นมนุษย์อยู่นั้นฉันมีธรรมชาติสำหรับเทศมากมายไม่รู้ว่ากี่แห่ง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเทศว่าอย่างไรดีเดี๋ยวนี้ฉันมีเรื่องอยากจะเทศมากมายเหลือเกินแต่ก็หาธรรมะสำหรับเทศไม่ได้เสียจแล้วก็น่าขำดีนะโรเยอร์บทที่6การเดินทางในโลกทิปเราเดินต่อไปเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งโรเยอร์ก็ถามขึ้นว่าท่านครับ ในโลกนี้เราไปไหนมาไหนได้โดยการเดินอย่างเดียวเท่านั้นหรือครับผมมองดูไม่เห็นมีถนนที่ไหนสักแห่งหนึ่งเลยมีแต่ภูมิประเทศอันสวยงามตามธรรมชาติเช่นนี้ไกลออกไปเรื่อยๆเป็นระยะทางอีกหลายไมล์ทีเดียวไม่ใช่หลายไมล์ดอกเธอที่จริงนับเป็นพันๆไมล์ทีเดียวนะข้าพเจ้าตอบ ที่เธอถามเมื่อกี้นี้คงหมายถึงวิธีการเดินทางและการขนส่งใช่ไหมคำตอบในเรื่องนี้เธออาจจะไม่เชื่อก็ได้คือเราทุกคนมีวิธีการเดินทางและขนส่งทุกชนิดอยู่ในตัวของเราเองแล้วทั้งสิน้นและวิธีการดังกล่าวนี้ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดในสากลจั ก, กรวาลเท่าที่แล้วมาเธอจะเห็นว่า เราใช้ขาเดินไปไหนมาไหนกันตามปกติเช่นโลกมนุษย์นั่นเองแต่อันที่จริงตามปกติของชาวโลกทิพย์แล้วเรามีอีกวิธีหนึ่งซึ่งฉันจะแสดงให้เธอดูก็ได้เชื่อไหมโรเยอร์ er, เราไปไหนมาไหนกันได้โดยกําลังของความคิดนั่นเองแบบนี้พอเธอเข้าใจวิธีสักครั้งสองครั้งแล้วก็จะเป็นแบบที่สะดวกที่สุดและจะกลายเป็นนิสัย ซึ่งต่อไปจะทำได้โดยแทบไม่ต้องคิดเลยเมื่อตอนที่เธอหัดเดินใหม่ๆตอนที่ยังเล็กอยู่นั้นเธอพอจะจำได้ไหมเอ๊หน่ากลัวผมจะจำไม่ได้เลยครับก็เป็นธรรมดาอยู่เองเพราะโดยมากคงไม่มีใครยังจำได้อยู่หรอกแต่เมื่อเธอหัดเดินแล้วลมๆ ล, ลุกลุกๆได้สักพักหนึ่งเธอก็จะเริ่มตั้งตัวได้โดยไม่ล้มอีกต่อไป ต่อจากนั้นเธอเขาจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้เรื่อยมาและเธอก็คงจะไม่ได้นึกคิดนักว่าแต่ละครั้งเวลาเราอยากจะเดินนั้นควรจะเดินอย่างไรในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากฝึกหัดสักสองสามครั้งแล้วพอเธอตั้งใจคิดว่าจะไปไหนก็จะไปถึงที่นั่นได้เองเลยทีเดียวฟังดูคล้ายกับเจเหลือเชื่ออยู่ใช่ไหม ก็ดูเออคล้ายๆก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับฉันเองไม่ค่อยได้ไปติดต่อกับโลกมนุษย์บ่อยนักดอกนอกจากนานๆครั้งก็ไปดูท่านมองซินเยอทํทำงานบ้างหรือติดต่อกับเพื่อนฝูงเก่าๆบ้างเท่านั้นฉันจึงไม่ค่อยรู้สึกยุ่งใจและรำคาญใจเหมือนอย่างท่านความคิดเป็นของมีตัวตนมีอำนาจจริงๆนะโรเจอร์ร้กล่าวต่อไป ความคิดที่ชาวโลกส่งมาถึงเราก็สามารถมาถึงเราจริงๆเช่นเดียวกับความคิดที่พวกเราส่งให้ในระหว่างพวกเดียวกันนี่แหละนอกจากนั้นความคิดของพวกเราก็สามารถส่งไปถึงโลกมนุษย์ได้อีกด้วยเป็นแต่ว่าไม่ค่อยจะมีมนุษย์ผู้ใดสังเกตหรือรับไว้ได้เท่านั้นน่าจะเป็นจริงทีเดียวแหละครับโรเยอร์กล่าวรับรองบ่อยครั้ง ผมมีความรู้สึกในใจชอบกวนผมเองก็บอกไม่ถูกว่าเป็นเช่นใดมันคล้ายๆกับจะเป็นแรงดึงบางอย่างฉะนั้นมันทำให้ผมรู้สึกคล้ายๆกับว่าอยากจะไปที่ไหนสักแห่งซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นที่ไหนกันแน่มันมันอ้างวางพี่กนครับผมรู้สึกแปลกประหลาดมากไม่ใช่ไม่สบายดอกครับ แต่ผมคิดว่าจะเป็นความกระวนกระวายอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่าไม่เป็นรายหรอกโรเยอร์ er. ฉันคิดว่าเรารู้ดีว่าความรู้สึกของเธอเช่นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรคือที่เธอรู้สึกเช่นนั้นก็เป็นเพราะกระแสะจิตแห่งความเศร้าโศกของญาติพี่น้องท้งโลกมนุษย์ส่งมาถึงเธออยู่เสมอนั่นเองจึงทาให้เกิดแรงดึงขึ้นในดวงจิตของเธอได้ เรื่องเช่นนี้ก็เป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นแก่ทุกทุกคนแต่อำนาจของความคิดถึงและความเศร้าโศกดังกล่าวนั้นในรายของเธอนี้คงจะไม่รุนแรงนักดอกเธอจึงรู้สึกเพียงขนาดทำให้ประหลาดใจบ้างเล็กน้อยเท่านั้นในรายที่ความรู้สึกจากโลกมนุษย์ในแบบนี้รุนแรงและเข้มข้นจริงๆแล้วเธอจะรู้สึกได้ชัดและกระวนกระวายยิ่งกว่านี้อีกมากทีเดียว แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันอาจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นก็เป็นได้ฉะนั้นถ้าต่อไปเธอรู้สึกว่ามันมีอาการรุนแรงขึ้นก็รีบบอกเราด้วยเรามีวิธีที่จะช่วยเธอให้หายจากแรงดึงได้โดยไม่ยากเลยสำหรับเธอเองก็ไม่ได้มีเรื่องเสียอกเสียใจหรือคิดถึงใครเป็นพิเศษไม่เชื่อหรือไม่มีหรอกครับดีทีเดียว ถ้าเป็นเช่นนั้นได้การขาจัดอำนาจของแรงดึงดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งง่ายขึ้นมากดูเหมือนเราจะอธิบายเรื่องแทรกเสียจนเพลินลืมคำถามของโรเยอร์ไปซะแล้วรูธข้าพเจ้ากล่าวต่อไปเธอคงจะจำได้ใช่ไหมรูธว่าเมื่อตอนที่โรเยอร์มาถึงใหม่ๆนั้นเราได้คุยกันถึงเรื่องเทวดามีปีกเหมือนนกแปลกไหมโรเยอร์ ศิลปินสมัยโบราณเข้าช่างสรรหาปีกมาใส่ให้เราจากไหนก็ไม่รู้ก็คงจะเป็นเพราะเขาเห็นว่าเราไม่ควรจะเดินไปไหนมาไหนเหมือนพวกเขานั่นเองทีนี้พอเขาไม่ต้องการให้เราใช้ขาแล้วก็ต้องคิดหาอะไรมาใส่ให้แทนจนได้เรื่องมันก็ไปลงเอยเอาที่ปีกนั่นเองเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นชาวโลกทิพย์ก็ต้องกลายเป็นต้นไม้ เกิดอยู่ที่ไหนก็ต้องการรากติดตามอยู่แท่นั้นเองตลอดไปฉันคิดว่าซาตานคือพระยามารเองก็คงจะต้องมีปีกติดตัวไว้บ้างเหมือนกันไม่เช่นนั้นคงจะเที่ยวบินไปโดนใจใครต่อใครให้ทําชั่วไม่ทันการแน่ทีเดียวเธอลองคิดดูก็แล้วกันมันจะพรุงพรังและพิกลสักเพียงไร ถ้าหากเราต้องแบกปีกติดไปกับบา่าอย่างในภาพเขียนของศิลปินเช่นนั้นผมคิดว่าถ้าเทวดาต้องมีปีกจริงๆไม่เช่นนั้นเวลาไปไหนมาไหนกันเป็นฝูงใหญ่ๆน่ากลัวจะมีเสียงกระพือปีกกันเพื่อภาพดังลั่นท้องฟ้าไปหมดอ้าวโรเยอร์เธอพูดไม่ไพเราะ อ, อีกแล้วนี่ไปเรียกเทวดาเป็นฝูงๆได้หรือ ฟังดูไม่สุภาพเสียเลยนั่นควรจะเรียกอย่างไรดีล่ะครับนั่นสิฉันเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเรียกท่านเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มก็คงจะพอได้กระมังแล้วเธอจะต้องพูดเสียใหม่ต้องพูดว่าถวยเทพมูใหญ่กำลังทำความสั่นสะเทถถือนให้เกิดขึ้นแก่บรรยากาศทำนองนี้ถึงจะถูกใจชาวโลกมนุษย์รู้ไหมอันที่จริง ฉันดูรูปที่ศิลปินเขาเขียนหมายถึงพวกเราแล้วอดคิดไม่ได้ว่าเรานี่คงจะเป็นพวกครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์หรือฮาฟฮิวแมนซะมากกว่าเพราะทั้งที่มีสองขาก็ยังอุตส่ามีสองปีกแถมเข้าไปอีกแต่นั่นแหละบางคราวมันก็กลับหนักเข้าไปอีกเพราะพวกเราถูกตีราคาว่าต่ำกว่ามนุษย์หรือสัต์ฮิวแมนซะอีกในที่สุด เลยกลายเป็นสัตว์ไปเลยเธอเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งเธอเคยเห็นรูปเทวดาที่ศิลปินเขาวาดไวหรือปั้นไวบ้างหรือเปล่าแล้วลองนึกดูทีหรือว่ามีรูปเทวดารูปไหนที่ยิ้มบ้างเธอคงจะไม่วิตกกังวลไม่เช่หรือที่เธอสามารถยิ้มได้อย่างอิสระดังเช่นในปัจจุบันนี้แทนที่จะต้องเดิมเดินชีวิตชนิดที่ยิ้มไม่ออกเลยเอาละ เราได้อธิบายเรื่องนี้ให้เธอฟังมาอย่างยืดยาวมากพอแล้วเดี๋ยวนี้เธออยากจะลองดูการไปไหนมาไหนแบบชาวโลกทิพย์บ้างหรื อ, อยังก็เข้าทีครับแต่ว่าผมจะทำอย่างไรก่อนดีก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเริ่มคิดเข้าเท่านั้นเองข้อสำคัญก็คือไม่ต้องตกใจเลย ทุกคนก็ต้องผ่านการทดลองในขั้นแรกเช่นนี้มาด้วยกันทั้งสิน้นในระยะแรกๆฉันเองกับรูธก็ตื่นเต้นกันไม่น้อยเหมือนกันในขณะนี้เรากำลังนั่งกันอยู่บนพื้นหญ้าข้าพเจ้าจิวเสนอแนะขึ้นว่าให้โรเยอร์ตั้งจิตว่าจะไปที่ต้นไม้ที่อยู่ในระยะห่างออกไปประมาณสิบเส้นข้างหน้าข้อสาคัญก็คือจาไว้ว่า เธอไม่ต้องใช้กําลังจิตกันอย่างมาหาศาลดอกนะโรเยอร์เข้าไเจ้าบอกเพียงแต่คิดให้รู้สึกแน่ใจว่าต้องการจะไปที่ต้นไม้โนนหรือที่ไหนที่ไหนก็ตามใจแต่ครั้งแรกนี้ไปที่ต้นไม้นโนนเสียก่อนเพราะอยู่ไม่ไกลจากรูดและชั้นจนเกินไปเราทั้งสองคนจะส่งใจช่วยด้วยเอาแล้วนะตั้งใจให้แน่ไว้ไปได้ โดยฉับพลันโรเยอร์ก็หายวับไปจากที่ที่เรานั่งอยู่และไปปรากฏตัวอยู่ที่ต้นไม้ดังกล่าวเระโบกมือให้แก่เขาซึ่งเขาก็โบกตอบกลับมาอย่างร่าเริงและในขณะต่อมาเราก็เดินทางไปพบเขาณที่นั้นด้วยเป็นไงการเดินทางสนุกไหมโรเยอร์หัวเราะอย่างสนุกสนานสนุกหนะ่าสนุกดีหรอกครับ เป็นแต่ว่าไม่มีโอกาสเห็นอะไรในระหว่างทางเลยพอนึกจบก็มาถึงที่หมายซะแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แท้ๆทีเดียวเพราะผมรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่ถ้าผมทําได้เช่นนี้ตอนที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ลราก็ถ้าจะดีไม่น้อยทีเดียวแต่เอไม่ได้แน่คุณแม่ผมเห็นเข้าอาจจะตกใจตายไปเลยก็ได้ ถูกและโรเยอร์ในโลกมนุษย์ทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะมันเท่ากับเป็นการปฏิวัติโลกทั้งโลกทีเดียวแต่ที่นี่เรื่องเช่นนี้เป็นของธรรมดาสำหรับชีวิตของเราโดยแท้แต่ผมยังสงสัยอยู่อีกอย่างหนึ่งครับท่านโรเยอร์ถามขึ้นในที่นี้เราจะหลงทางไหมครับสมมติว่าเผื่อต่อไปผมไม่ได้ติดต่อกับท่านและคุณรูธอย่างเดี๋ยวนี้แล้ว เธอหมายความว่าเพื่อเราพาเธอไปที่ไหนที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เธอไม่รู้จักแล้วปล่อยเธอไว้ที่นั่นตามนำพังโดยแอบหนีกลับมาเสียช่นนั้นใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยโรเยอร์เพราะเธอก็สามารถจะกลับมาหาเราได้อีกโดยตั้งใจกลับมาที่เดิมนั่นเองแต่อย่ากลัวไปเลยโรเยอร์เราไม่ปล่อยเธอให้ตกอยู่กลางถนน แล้วให้คนอื่นเก็บไปเลี้ยงดอกสมมติว่าเธอบังเอิญได้ไปอยู่ในที่ซึ่งไม่เคยรู้จักมาแต่ก่อนเลยและเธอก็ลืมนึกถึงบ้านหลังนี้เสียแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีความผูกพันทาง ใ, ใจระหว่างเราทั้งสามอยู่เพีย <ís> <Driver> งแต่เธอนึกถึงฉันหรือรูธเท่านั้นเธอเขาจะได้รับคำตอบหรือความช่วยเหลือทันทีและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเป็นที่ที่เธอจะมาได้แล้วเธอก็จะมาได้ทันทีที่ฉันใช้คำว่าในที่ที่เธอจะมาได้นี้ก็หมายความว่ายังมีบางแห่งเช่นในภูมิต่ำซึ่งเธอจะไม่สามารถไปที่นั่นได้เลยนอกจากนั้นสมมติว่าเธอลืมนึกถึงบ้านของเราหรือลืมนึกถึงฉันและรูทเธอจะนึกถึงเรเดียนวิงหรือบ้านของเขาก็จะได้ผลเท่ากัน อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเรื่องสมมติเท่านั้นเองแต่โดยความจริงแล้วความจำของเธอเมื่อมาอยู่ในโลกนี้แล้วจะไม่มีวันลืมเลือนไปได้เลยและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีเรื่องหลงทางที่เธอจะต้องเป็นกังวลใจเลยขอให้เธอจำไว้ได้เลยว่าในโลกทิพย์ร่างกายของเราเป็นสภาพที่ไม่ตาย ความจำและมันสมองของเราก็เป็นสภาพที่ไม่มีวันเสื่อมเช่นเดียวกันหมายเหตุข้อความนี้แสดงว่าท่านโรเบิร์ตฮิวเวนสันผู้เล่าเรื่องนี้ยังเข้าใจเรื่องโลกทิพย์ไม่ตลอดในคำภี์พุทธศาสนาก็มีเรื่องที่กล่าวว่าเทวดาวางพวกเข้าใจว่าตนเองเป็นอมรคือเป็นผู้ไม่ตายเช่นนี้ก็มีเหมือนกันเป็นอันว่า ระบบการขนส่งทุกประการจะเป็นในรูปรถยนต์รถไฟหรืออย่างอื่นก็ตามมีอยู่ในตัวเราแล้วโดยพร้อมบริบูรณ์และโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุรุงรังภายนอกเลยแต่ทีนี้สมมติว่าเราต้องการจะย้ายสิ่งของใหม่ๆแล้วครับเช่นบ้านเป็นต้นจะทำอย่างไรกันก็ไม่ยากอีกนั่นแหละโรเยอร์ถึงแม้เราจะไม่ใช่ยักษ์ แต่เราก็มีพลังจิตของเรามากพอที่จะโยกย้ายสิ่งของในบ้านของเราไปไหนมาไหนได้โดยไม่ยากเลยและหลังจากที่เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วก็ไม่มีการเมื่อยเอวหรือหลังหรือนิ้วพองแต่อย่างใดและอาจกล่าวได้ว่าในขณะเดียวกับที่ชาวโลกมนุษย์กาลังคิดว่าเขาจะโยกย้ายสิ่งของต่างๆอยู่นั่นเอง เราก็สามารถจะโยกย้ายสิ่งของกลับไปกลับมาได้ตั้งหลายสิบเที่ยวแล้วและโดยไม่มีการแตกหักเสียหายอะไรเลยอีกด้วยแม้ในเรื่องบ้านถ้าเราอยากจะโยกย้ายจริงๆเราก็ทำได้โดยไม่ยากเพราะว่าเราจะโยกย้ายบ้านของเราไปที่ไหนก็ได้ภายในภูมิของเรานี้แต่ว่าโดยมากเราก็ไม่ค่อยทำกันนักเรามักจะอยู่ในที่เดิมไป จนกว่าจะถึงเวลาที่เลื่อนจากภูมิของตนไปอยู่ภูมิที่สูงขึ้นและถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่เดิมนานๆเราก็จะไม่รู้สึกเบื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในบ้านของเราโดยประการต่างๆได้เสมอตัวอย่างเช่นบ้านหลังที่เป็นของชั้นนี้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับตอนที่ชั้นมาอยู่ใหม่ๆเพราะเมื่ออยู่อยู่ไปเรามีงานต้องทามากขึ้น ก็จำต้องขยายห้องออกไปทางด้านข้างอีกดังที่เธอได้เห็นอยู่แล้วแม้สวนโดยรอบบริเวณบ้านก็ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยเหมือนกันทางนี้โดยที่มีผู้ชำนาญในทางนี้คอยช่วยตกแต่งให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราอย่างเดียวเพราะแต่ละอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิพย์นี้มีชีวิตทั้งสิน้นจึงเป็นอันว่า ไม่มีสิ่งที่เป็นวัตถุไร้ชีวิตเลยเอาละทีนี้โรเยอร์เราไปดูเมืองโดยใกล้ชิดกันสักหน่อยดีไหมเท่าที่แล้วมาเธอได้เห็นแต่เพียงจากบ้านของฉันในระยะไกลเท่านั้นแต่ว่าเราจะไปกันโดยวิธีไหนดีจะเดินไปหรือจะไปแบบอื่นที่เราทดลองกันมาแล้วดีเอาแบบหลังการชนะ